พระพุทธศาสนาที่ให้นามว่าศาสนาธรรมเป็นธรรมคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกสงสารผู้มีวาสนาแต่ถ้าผู้ไม่มีวาสนาแล้วก็ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องนำออก ของสัตว์โลกที่ติดจมอยู่ในวัตจักอันนี้ไม่มีประมาณทมเท่านั้นจะเป็นเครื่องนำออกได้นอกนั่นไม่มีสิ่งใดเลยในโลกกระทาตอันนี้ <c oughs> นอกจากเป็นสิ่งที่จะผูกมัดรัดลึงจิตใจไว้ตลอดกาล หาความเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่ได้วกไปเย็นมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการหากรองทุกไปด้วยทุกพบทุกชาติไม่สงสัยสัตว์โลกทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์และแบกหามกันด้วยอาการเหล่านี้มานานแสนนานแม้เช่นนั้นตนเองก็ไม่สามารถจะอ่านเรื่องของตัวเองออก ไม่ทราบว่าเป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรมีแต่ธรรมชาติที่เหนือกว่าอยู่พายในจิตใจนั้นพัดถันดันไปพบนั้นพบนี้สูงสูงต่งํต่ ำ, ตำรุ่มๆุ่มรมอนรอ น, อ, นอยู่เรื่อยมาและเรื่อยไปหากว่าโลกนี้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องนำออกเลยแล้ว สัตว์โลกนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับเพาติดคุกติดตารางหาวันออกไม่ได้จนกระทั่งตายกับตารางหรือเรือนจำนั้นทุกรายทุกรายไม่มีเว้น <c oughs> แต่การติดคุกแม้จะตัดสินตลอดชีวิตก็ยังมีวันลดหย่อนผ่อนผันด้วยมาถึงกับออกได้ไม่ตลอดชีวิตจริงๆ หรือไม่ตลอดชีวิตเสียทีเดียวผู้กำหนดปีกำหนดเดือนก็ออกตามปีตามเดือนเมื่อหมดโทษหมดเขตนั้นแล้วก็ออกไปได้แต่จิตที่ฝังจมอยู่ในคุกคือวัตตจัรทั้งสามพบหรือทั้งสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวันที่จะออกได้เลยเพราะไม่มีใครมาตัดสินให้ ไม่มีใครที่จะมีอำนาจวาสนาเนื้อวัตวัตจับที่หมูอยู่ในจิตให้เป็นวัตตจิตนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากต่อสัตว์ทั้งสัตว์ก็ไม่สามารถทราบได้ด้วยว่าสิ่งนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นเครื่องบังคับจิตใจของตนให้เกิดในภพนั่นภพนี้ และจะไม่มีทราบได้ตลอดไปหากไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางทั้งจะไม่ทราบความผิดถูกชั่วดีของตนถูถ่ไยไปอย่างนั้นไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตต้่งมีการเรล่มเวลาเข้าไปตัดสินได้เลยสำ <c oughs> หรับสัตว์ผู้มีวาสนายังพอ จะได้สัมผัสสัมพันธ์ศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามและเป็นเครื่องนำออกนี้ได้ไปโดยลำดับพอที่จะทำให้มีวันดูดพ้นไปได้เช่นเดียวกับ เ, เขาติดคุกติดตลางมีวันพ้นได้อย่างนั้นเพราะธรรมชาติอันนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะฉุดลากจิตใจของสัตว์โลกที่จมอยู่ในวัฏจักร คือหมุนไปเย็นมาอยู่นี่ให้ออกไปได้พ้นจากโลกนี่ไปเสียดังที่ท่านว่าหลุดพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องความเกิดแก่เก็บตายอันเป็นเมือนรังแห่งทุกข์นี่แหละนี้พระพุทธ เ, ทเจ้าและพระรหันทั้งหลาย <c oughs> ท่านหลุดพ้นไปท่านเหล่านี้หลุดพ้นไปด้วยอันใดถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่อง นำออกเป็นเครื่องหลุดพ้นเป็นเครื่องหลุดพ้นแล้วก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับสัตว์โลกทั่วๆไปไม่มีวันหลุดพ้นไปได้เช่นเดียวกันนั่นแหละสาธนาธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากต่สอสัตว์ทั้งหลายเพราะเป็นเครื่องนําออกใครเล่าอยากจะจมอยู่ในวัฏจักรอันนี้ความเกิดเป็นทุกข์ขนาดไหน หากเราจะพิจารณาตามความเป็นจริงไม่มองข้ามไปเสียว่าความเกิดเป็นของดีความเกิดนั้นไม่ใช่ของดีถ้าเกิดแบบพบหยาบๆอย่างที่เราเห็นนี้ก็เราก็เห็นแล้วเดินตายถึงได้มาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไม่เดินตายเสียก่อนมาเป็นสัตว์เป็นมนุษย์ไม่ได้บางรายก็ตายอยู่ในท้องแม่ ตกคลอดออกมาตายทั้งแม่ทั้งลูกคนเราและสัตว์ทั้งหลายไม่ทุกจะตายได้อย่างไรก่อนจะตายต้องเป็นทุกทุกถึงทนไม่ไหวขนาดที่ตายจึงตายได้แม้จะ แ, แม้เป็นเช่นั้นคนเร า, ารู้เรู้ยังศากันอยู่อย่างนี้ก็ยังไม่อยากตายแต่จำเป็นก็ต้องตายเพราะทุกบีบบังคับถึงขนาดที่ว่าห้ามไม่ได้ไม่มีอะไรต้านทาน มีทางเดียวคือตายเท่านั้นจึงได้ตายไปทั้งจัตธรรมมนุษเรา <c oughs> นี่ทุกหรือไม่ทุกความเป็นอยู่เสือ่อครานตั้งแต่ตกคลอดออกมาจนกระทั่งถึงมันตายล้วนแล้วแต่ความเสื่อครานตะเกียร์ตะกายด้วยความเป็นทุกข์ทั้งนั้นหาความเป็นสุขที่ไหนมีพอที่ให้รื่นเริงบันเทิงนอกจากเพียงฟ้าแมบเท่านั้นความสุข ที่ปรากฏขึ้นมาในกายในใจของสัตว์โลกพอให้เสียดายแล้วก็หายไปเสียนอกนั้นก็มีแต่ความหวังที่เต็มไปด้วยทุกหวังอยากให้พ้นจากทุกหวังอยากมั่งอยากมีหวังอยา ก, ายา ก, ยากเป็นมีความสุขความจเจริญหวังอยากได้สิ่งที่พึงปรารถนาเพื่อความเป็นสุขแต่ความจริงก็มีแต่ความหวังและแม้ได้ได้มาแล้วก็หาความสุขไม่ได้ดังความคาดความหมายไว้นั้น มันมีความผิดหวังไปตลอดเวลาผิดคาดผิดหมายผิดความคิดเป็นเรื่องดนเดาไปเสียหมดเพราะฉะนั้นโลกยังอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากแต่ไม่มองเห็นความทุกข์ความลำบากของตนพอที่จะเกียบจะเกียดตะกายด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเท่านั้นเองให้หลุดพ้นไปเสียแล้วขณ ะ, ะนะจะตายเป็นอย่างไรบ้างใครอยากตายในโลกนี้ก่อนจะตายนั้นถูกบีบบังคับขนาดไหน ก, ก็เกลียดกระสนกระวนกระวาย มากต่อมากหาสติสตังไม่ได้เพราะทุกบีบบังคับสติสตังยุไม่มีอยู่กับตัวได้เลยเพราะถูกทุกบีบบังคับอย่างรุนแรงเกินกว่าที่สติปัญญาจะมายับยั้งไว้ได้พอจะรู้เรื่องของตนว่าเป็นทุกข์แล้วก็ตายไปพบนี้เป็นอย่างนี้นะพบหน้าพบต่อไปเล่าจะเป็นอย่างไรอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าความเป็นอยู่ในพบนี้อีก มากหมายยืดยาวนานหากมีความดีคือบุญกุศลที่ตนเคยได้สร้างไว้ก็พอประทังกันไปได้หรือพอบรรเทาไม่ได้เป็นทุกข์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานของมันมีที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่มาจากความเกิดทั้งนั้น สิ่งที่จะพาให้เกิดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดนะเกิดมาเป็นภพเป็นชาติเช่นเป็นเราเป็นท่านอยู่เวลานี้ก็เป็นเพราะอะไรพาให้เกิดมาเป็นเช่นนี้เราก็ไม่รูนะ้ความรู้นี้รู้อยู่ธร ร, ธรรมดาธรรมดาเพราะจิตครองร่างอยู่ไม่รู้ได้อย่างไงก็ต้องรู้แต่ที่จะรู้ยืดยาสาวหาเหตุหาผลแห่งความเป็นมาของตน ว่าเป็นมาเพราะอะไรมีความสุขความทุกข์เพราะอะไรเป็นสาเหตุมาเกิดในภพนี้ภพนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นสาเหตุไม่สามารถที่จะทราบได้เลยถ้าเป็นเช่นนั้นมีแต่ความรู้สึกอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นท่านจึงว่าอาวิชารู้แต่ไม่ชัดแจ้งตามหลักแห่งความเป็นจริงรู้อย่างงูปลาด่างเราท่านรู้กันนี่รู้กันอยู่นี้แหละท่านจึงเรียกว่าอาวิชชา ความรู้นั่นรู้แต่ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงที่ควรจะรู้นี่กล่าวถึงเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ทั้งหลายทุกๆุกรายไม่มีเว้นที่อยู่ในแดนโลกฐานอันเต็มไปซึ่งมีกิเลสฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วจะต้องได้รับเช่นเดียวกันนี้หมดแม้จะไม่เป็นนับรายบุคคลรายสัตว์มีจำนวนมากน้อยเย่างไรก็ตาม ธรรมชาติที่บอกหบ่งบอกเป็นความแน่ชัดว่าสัตว์ทั้งหลายต้องได้รับความทุกข์ความทรมานนั้นก็คือสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมามันฝังอยู่ภายในใจิตใจด้วยกันทุกอยายเหตุใดทุกจะไม่เกิดเมื่อสาเหตุที่จะใเกิดทุกข์มันฝังจมอยู่ภายในใจและผิดตัวขึ้นมาเพื่อความเป็นทุกข์จก่สัดโลกอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเอาสิ่งใดมาเป็นสุขเนย้นาอธรรมะอวิชชา แล้วก็ต่อเนื่องกันไปว่าอวิชาปฏิยาสร้างขาราสร้างขาราปฏิยาวิญญาณังก็คือเรื่องต่อพบต่อชาติไม่หยุดไม่ถอยไม่มีการยับยัง้งได้เลยนั่นแหละเป็นไปอยู่อย่างนี้และเคยเป็นมาอย่างนี้นับกลับนับกันไม่ได้มาปัจจุบันนี้ก็ น, นี่เป็นเป็นพบหนึ่งของเราถ้าเราจะเทียบแล้วพบหนึ่งในจานวนล้านล้า น, นพบ กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านเรียกว่าล้านล้านพบนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นและยังจะเป็นไปอีกนับเป็นจํานวนในทางอนาคตก็หนึ่งในจํานวนที่จะเป็นล้านล้านพบอีกเช่นเดียวกันถ้าและพบเหล่าที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่จะต้องได้รับความทุกข์จากมันทั้งนั้นถ้าพูด ที่จะพินิจพิจารณาตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเท่าที่แบกหามความทุกข์มามากต่อมากนี่จะซึ่งเกินจำนวนไม่รู้กี่ล้านล้า น, นพบนี้ก็พออิดนาละาใจได้แล้วสำหรับชาวพุทธเราพูดย่ยอๆเอามานี้เลยถ้าพูด ท, ทั่วๆไปก็ไม่ทราบจะพูดได้ยังไงมันเหลือประมาณที่จะพูดเกินกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่รู้ภาษีภาษาเลยเลยจะทราบเรื่องความ เป็นมาความเป็นจริงของตนเราจึงย่นเข้ามาเฉพาะชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งควรจะรู้จะเห็นเหตุผลต้นปลายแห่งความเป็นมาความเป็นอยู่และความจะเป็นไปของตนได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าไม่นอนจมอยู่กับศาสนาให้เกลเอสมันเสียดมันแทงมันบีบบังคับอยู่ในทํากลางแห่งส า, ราธรมรมพ้องผู้ปฏิบัติด้วยความสําคัญตนว่าเป็นนักบวชนี้เท่านั้นจะเป็นอื่นเป็นอะไรไปที่ไหน แล้วที่จะต้องแบกพบแบกชาติก็เท่ากับว่าแบกกองทุกนั่นเองไปอีกกี่ล้านหลานพบหาประมาณได้ที่ไหนถ้าสมมติว่าทางเดินเป็นขอบด้งแล้วเราลองเดินในบนขอบด้งลองดูสิเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำมีทางออกที่ไหนไม่มีทางออกเพราะขอบด้งนี้มันกลมนั่น เดินประจักก์่กับกี่กันก็ไม่มีทางออก น, นี่แหละการที่กิเลสวัะวลุลมันพาให้เดินให้วกให้วนเป็นเหมือนกับเราหรือมดเดินตขอบด้งนั้นเองจะผิดไปไหนทิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าประกาศตังวาลโลกมาเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ได้ 2,500 ปีกว่าแล้วว่าสัตว์โลกเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้ และจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปหากไม่มีเครื่องฉุดลากออกจากขอบดงคือวัตวนนี้ปราบได้แล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปไม่มีต้นไม่มีปลายทางเข้าทางออกของวัตถวนนี้ซึ่งเป็นเหมือนขอบดงเราลองพิจารณาดูสิม <c oughs> ากปฏิบัติเราความทุกข์แม้แต่มาเฉียดนิดเดียวชั่วขณะเท่านั้น เป็นสิ่งที่ใครเล่าจะปรารถนาอยากสัมผัสสัมผั์มันแล้วยังจะแบกกองทุกขนี้ไปอีกไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้แล้วเป็นอย่างไรบ้างเราจะมีกำลังมังชามาจากไหนนอกจากเป็นสัตว์ที่ทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็คือเราผู้แบกกิเลสอยู่ภายในผู้มีกิเลสเสียดแทงฝังจมอยู่ภายใ น, ในใ จ, จิตใจนี้เท่านั้นไม่ใช่ผู้อื่นใด เราอย่าไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้สัตว์ตัวนั้นตัวนี้จะเป็นทุกข์อย่าง น, นี้ให้ดูในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อการถอดถอนสิ่งเชื้ออันเป็นทุกข์ต่งางๆนี้ออกจากใจให้ดุดพ้นไปเสียโดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและพระ้อาหารท่านนี่เป็นความถูกต้องเป็นความชอบธรรมสําหรับนักปฏิบัติธรรมของเราแต่ทีนนี้ได้กล่าวถึงเรื่องวัฏฏวุลของสัตว์ไม่ไม่มีวิญ ญ, ญาณดวงใด ไม่ว่าพบหยาบพบละเอียดที่อยู่ในสามแดนโลกกถางนี้อันเต็มไปด้วยหรืออันเป็นที่บรรจุบินยาณของศัว์โลกคือกามาโลกรูปประโลกอรูปรโลกหรือกามาพบรูปประพบอรูปรพทั้งสามพบนี้คือแหล่งแห่งความเกิดของสัว์ทั้งหลายต้องเกิดในแหล่งนี้แหล่งใดแหล่งหนึ่งตามแต่ บุญแต่กรรมของผู้ที่ได้สร้างมามากน้อยจะได้รับความสุขความทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรอันเพราะเป็นเรื่องต่างๆกันด้วยอนานาจแห่งกรรมไม่เหมือนกันผลจะให้เหมือนกันไม่ได้แต่เป็นแต่เพียงว่ารวมลงแล้วว่าสัตว์โลกจะต้องได้รับความสุขความทุกข์ส่วนมากทุกขนั่นแหละมากกว่าสุขอยู่โดยดีไม่อาจสงสัยได้เลย หากไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์พระองค์มาประกาศซึ่งเป็นเหมือนบันไดข้าจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงหรือข้าจากหล่มลึกเช่นน้ำเป็นต้นให้พ้นเสียจากสิ่งทุกทรมานทั้งหลายที่เรียกว่าโอคะนะแล้วก็ไม่มีทางไม่มีวันที่จะหลุดพ้นไปได้ เพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติที่จําเป็นอย่างยิ่งและพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ทรงสร้างบา ร, รมีมาเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจึงเป็นท่านผู้ที่น่าอนุโมทนาสําหรับสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกันเพราะท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้รื้อถอนขนสัตว์ขนหรือขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นไปจากโลกด้วยพระสัตยธรรมของท่านเองผู้อื่นไม่สามารถเลย จะมีกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านคนก็ตามไม่มีใครสามารถขลาดรู้ทำทั้งหลายอันเป็นเครื่องลื้อถอนจับโลกให้หลุดพ้นไปจากทุกขนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์นั้นเลยดังนั้นทำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จึงเป็นธรรมชาติที่จําเป็นเป็นที่ฝากเป็นฝากตายของจัตโตโลกหาที่เปรียบประมาณไม่ได้เพราะผู้ที่จมอยู่ใน กองทุกข์หรือจมอยู่ในน้ําร้อนกําลังเดือดพลานนั้นทําไมจะไม่หวังความชุ่มเย็นไม่หวังความดุดพ้นเมื่อมีผู้เอื้อมมือลงไปเพื่อจะฉุดลากขึ้นมามือชาติโกตัวใดจะนิ่งนอนอยู่ได้ยังไงต้องเอื้อมขึ้นมารับขึ้นมารับชาติโกกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านรายล่ะกับพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวมันขี้นาเลยทีเนี่ยหรือขนสัตว์ทั้งหลาย ขึ้นมาจากกองนุกกองนรกนรกทั้งเป็นของภพของชาติหนึ่งๆก็มีนรกเป็นในหลุมต่างๆดังพระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มีหลายประเภทแห่งนาลกจะเป็นประเภทใดก็ต า, ามที่ควรเอื้อมมือขึ้นมารับความเมตตาของพระพุทธเจ้าด้วยอัดด้วยธรรมนี้ต้องเอื้อมขึ้นมาจนได้ต้องเสาะต้องแสต้องแสดงหาอัดธรรมคำําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องฉุดลากตนให้หลุดพ้นจากถุก ไม่สงสัยนี่ทำรรนี่แหละเป็นเครื่องชุดลากขับโลกทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้นอกนั้นไม่มีเลยแม้ชิ้นเดียวอันเดียวคนเดียวรายเดียวที่จะสามารถดังพระพุทธเจ้าแต่พระองค์พคกนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วเป็นพระองค์แนกและประกาศธรรมสอนโลกให้รู้ให้เห็นตาม พระอาวาทที่ส่งสอนและหลุดพ้นไปได้โดยลําดับลาดับดังเราทั้งหลายได้ทราบในพระประวัติของท่านแต่ละพระองค์พระองค์ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีจํานวนมากเท่านั้นเท่านั้นอย่างพระสาวกของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็มีจํานวนมากมายขนาดไหนและท่านเหล่านี้แหละเมื่อตนได้ประพฤติปฏิบัติกําจัดสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟอยู่ภายในใจิตใจ เผาไหมาอยู่ตลอดเวลาออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วได้นำทรร ม, มโอสุดที่เป็นผลอย่างยิ่งมาแล้วนีประกาศทรรมสอนโลกให้พุทธะเพื่อช่วยพุทธภาละของพระพุทธเจ้าให้เบาบางในระดับก็มีความกว้างขวางออกไปองค์นั้นปร ะ, ประกาศศาสนาอยู่ในแดนนั้นแดนนั้นทิศนั้นถักอุดจังหวัดก็จังหวัดนั้นอำเภอนี้เรื่อยไปสัตว์กก็มีทางที่จะ ได้บำเพ็ญกุณาความดีและหลุดพ้นไปตามได้เป็นจำนวนมากมายดังเราได้ทราบแล้วในประวัติของพระพุทธเจ้าและสาวกในวงพระศาสนานี้นี่เมื่อสรุปลงแล้วเรานี้เป็นคนหนึ่งที่ควรจะได้ทรงวาสนาพอที่จะยังตนให้หลุดพ้นไปด้วยด้วยอัตธรรมของพระเจ้าโดยการปฏิบัติ <c oughs> ตนอย่างเข้มแข็งพระความเห็นภยในทุกดัง ที่กล่าวมาแล้วนี้เพรา <c oughs> ทุกเป็นทุกจริงๆไม่แช่หลอกลวงใครว่าจะเป็นจูกเป็นทุกทั้งนั้นเมื <c oughs> ่อเจอเข้าแล้วควรจะเข็ดต้องเข็ดถ้าผู้มีธรรมในใจบ้างนอกจากผู้ไม่มีธรรมในใจก็เช่นเดียวกับเขาโยน <c oughs> กโยนเสียดลงในหม้อน้ําร้อนนั่นแหละโยนลงไปเท่าไหร่ก็จมจมไปหมด <c oughs> ไม่มีความหมายอันไดเลยพอที่จะเห็นโทษเรา บวชมาในพระพุทธศาสนามาประพฤติธปฏิบัติตนเพื่อความเห็นโทษนั้นภัยด้วยอัดด้วยธรรมของพระเจ้าอันเป็นเครื่องส่องทางให้เห็นโทษเห็นไถถ้ายังจะไม่เห็นอยู่เลยก็รู้สึกว่าเกินไปเหลือประมาณของพระที่บวชในพระศาสนาตั้งหน้า ต, ตั้งตาระพฤติธปฏิบัตินอกจากจะมานอนจมอยู่เฉยๆแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นเพระาะศาสนธรรมนี้พร้อมแล้วที่จะส่องทางสําหรับผู้ปฏิบัติ อย่างเอาจริงเอาจังให้รู้ให้เห็นสิ่งที่เป็นภัยและเป็นกุณซึ่งมีอยู่ในด้วยอยู่ในเอายอดย่นเข้ามาก็คือว่าอยู่ในตัวข้างเรานี้ด้วยกัน <c oughs> เพราะสิ่งที่จะผิดทุกขึ้นมาก็มีอยู่นี้ท่านเรียกว่าอริยสัจสติคือทุกหนสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกหนนิโรธความดับทุกหนมัทางดำเนินเพื่อความดับทุกหน มยอยู่ที่กายที่ใจของเราเราเวลาเรารู้จะต้องรู้ขึ้นที่กายที่ใจอันเป็นวงอริยสัจอยู่นี้ไม่รู้ที่อื่นต้องรู้ที่นี่นี่ควรจะรู้ทําไมมันไม่รู้ท่ามที่กล่าบมาเหล่านี้ไม่มีการสถานที่ในล่ำเวลาพอที่จะล่วงโรยไปไหนเอื้อมไม่ถึงหรือก้าวไม่ เข้าไม่ถึงหรือไปไม่ทันมีอยู่กับกายกับใจของเราทัศน <c oughs> ีปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้บำรุงรักษาหรือให้จะบำรงส่งเสริมให้จริญลุ่งเรืองขึ้นได้เพื่อปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายอันมีอยู่ในจุดคือใจดวงเดียวกันได้แก่สมุทยัยสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์หรือแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ เป็นผู้ผิดครับทุกทั้งหลายผู้นี้แหละเป็นผู้ผิดทุกเป็นผลสมูทายเป็นต้นเหตุเป็นผู้ผิดเมื่อดับสมูทายนี้ได้โดยสิ้นเชิงภายน จ, จิตใจแล้วทุกภายในใจก็ดับสนิทไม่มีอะไรเหลือท่นานเรียกว่า น, น, นิโรธดับทุกนี้ดับเพราะอะไรเป็นเครื่องดับไม่มีเครื่องดับทุกนี้ดับจิตเรศเนี่ยจะดับอะไรคือดับสมูทายนั่นแหละ แล้วก็เป็นการดับทุกข์ไปในตัวของมันการดับสมุทัยนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้โดยแจ่มแจ้งชัดเจนไม่น่าจะสงสัยท่านสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปะจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิมากแปดเครื่องดําเนินประกอบกันมีแปดประการนหรือมีแปดชนิดนี่เรียกว่ามรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปะได้จะองค์ปัญญา ที่มีความชื่เยอะฉลาดแหลมคมควรแก่การปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากไปได้โดยไม่สงสัยนี่ <c oughs> ต่อสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับเช่นสัมมาสตินี่สติกับปัญญาต้องกลมคืนกันไปท่านจาวไว้เป็นลําดับว่าสัมมาทิติสัมมาสังกรปรสัมแล้วก็สัมมากรรมันโตสัมมาวาจาเหล่านี้ สัมมากรมมันโตสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกนั้นที่ให้เหมาะสมที่สุดกับเพศของตอนนั้นคืออะไรไม่ใช่เกี่ยวการก่กอการสร้างให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองเขาพระผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นและเพื่อสังหารสมุ ท, ทยัยตัวมันดิ้ น, นรนกระวนกระวายอยู่ภายใน จ, จิตใจให้สิ้นซากไป ก็ได้ค่ะการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาด้วยความมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องกา ก, กับปรักษาและเป็นเครื่องกาจัดวิเลสสมุทัยทั้งหลายด้วยวิธีการเหล่านี้ยืนก็เพียรเดินก็เพียนนั่งก็เพียรท่านเรียกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาหรือนอนภาว น, นาก็ได้ฆิเลศได้้วยกันทั้งนั้นเพราะเรานอนอยู่กิเลศก็เกิดได้ เมื่อเป็นโอกาสที่มันจะเกิดได้เมื่อไรมันต้องเกิดแล้วก็เป็นโอกาสที่ธรรมจะเกิดได้เมื่อไรธรรมก็ต้องเกิดและสังหารกิเลสไปในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันเนี่ยสัมมากัมกมันโตการงานชอบของพระผู้เจริญที่จ ะ, จะหวังความดูดพ้นจากกิเลสและเพื่อลื้อฟื้นตนให้ดูดพ้นจากกิเลสก็คืองานดังที่กล่าวมาแล้วนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใ จ, นใจชีย์ใจิตใจจริงๆ ไม่ได้สักแต่ว่าทำเวลานั้นถึงจะเดินจงกรมเวลานี้ถึงจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ทันกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ภายในจิตใจเรายิ่งกว่าโครงจักสกีแม่ที่สุดฉันจะหันอยู่ก็มีสติมีปัญญาควรจะพิจารณาทำแงใดก็พิจารณาควรจะปฏิกรรมธรรมะบทใดก็บริกรรมนี่เรียกว่าเป็นความเพียรในขณะที่กบกีฉันอยู่ และอิยาบทต่างๆเป็นไปด้วยความเพียรดังที่กล่าวมาแล้วนี้นี่ควรแก่การที่จะสังหารกิเลสได้เมื่อสั่งสมให้มากต่อมากสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรหนุนหลังความอดความทนในการต่อสู้กับกิเลสไม่ถอยหลังสิงเหล่านี้แหละเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปโดยลำดับบท่านเรียกว่ามรกทั้งนั้นแลวกิเลสก็ต้องอ่อนตัวลงอ่อนตัวลง นี่ท่านเอวสัมมากรรมมันโตหรือสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะให้ระมัดระวังอารมณ์ให้นำเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจของตนเฉพาะอารมณ์ที่เป็นธรรมเช่นเราคิดในทางที่ดีหรือบริกรรมภาวนาพุโทโธหรือพิจารณาอัตธรรมเพื่อถอดถอนทีเด่นี่เป็นโอชาโรต เข้าล่อเลี้ยงจิใจให้ชุ่มชื่นเบิก บ, บานนึกผ่อผงใสสง่าผ่าเผยมีเป็นอาหารภายในใจิตใจธรรมอาชีวะที่บินธบาทมาขบมาฉันนั้นเป็นประเภทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่แม้จะเดินไปเดินไปบินทบาทก็าตามก็ไม่พ้นที่จะต้องประกอบความภาคเพียนไปกับการก้าวเดินนั้นนั้นมีสติมีปัญญาครองตัวไปอยู่ตลอดเวลานั่นท่านเรียกว่าบินถบาทเป็นวัด สัมมาอาชีวะเบ็นทวาทมาเลี้ยงอัตภาพก็เป็นความชอบธรรมอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตก็เป็นอารมณ์แห่งธรรมเพื่อหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแข้มชื่นเบิกบานให้จิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปหล่อเลี้ยงนี่ก็เรียกสัมมาอาชีวะเนี่ยสัมมาวายามะก็เพียรชอบท่านบอกว่าเพียงในที่สี่สถานเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้ว เพียรน้า บ, บาปที่เกิดขึ้นแล้วคือกิเลสตัณหาเนี่ะมันเกิดขึ้นแล้วภายในจิตใจไม่ให้มันเกิดขึ้นได้แล้วเพียรบำเพ็ญความดีให้เกิดขึ้นและเพียรระมัดระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีสติสตังระมัดระวังรักษาเสมอเนี่ยแล้วก็เพียรบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลคือเพียรบำเพ็ญสติปัญญาส่นให้แก่กล้าสามารถนั่นแลหละเมื่อสรุปลงแล้ว ท่านกเพียนในที่ศีรษะนนมีก็พูดเพียงย่อๆย่อๆไม่ได้พูดอะไรไปมากมายแล้วก็เพียนเช่นอย่างละกิจ ท, ทั้งเรามีความสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิก็พยายามเพียนรักษาทำเหล่านี้ให้คงเส้นคงวาและหนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆไม่เสื่อมไปเสียนี่นี่ท่านบอกเพียนในที่ศีรษะนั้นส ม, มาวายามะเพียนชอบอย่างนี้ส ม, มาสติ ก้าวเดินไปไหนก็าตามมีสติอยู่กับการก้าวเดินหรืออยู่กับความภาคเพียรเช่นอยู่กับคาบริกรรมอยู่กับการพิจารณาทำทั้งหลายในแง่ต่างๆมีสติติดแนบไปกับปัญญานานท่านเรียกสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือความสงบโดยชอบธรรมที่เกิดจากสติควบคุมเอาไว้เช่นเรากาหนดอนาปานาสติ ก็ให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่เผลอไผลไปที่ไหนจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาจากสติด้วยดีแล้วย่อมจะเข้าสู่ความสงบเพราะปราศจากสิ่งที่จะรบกวนใจเหมือนดังที่เคยเป็นมาใจจะสงบเมื่อไม่มีอะไรรบกวนะท่านเรียกว่าสมาสมาธิทั้งแปดประการนี้รวมตัวมีกําลังแล้วก็ย่นเข้าไปสู่ จิตดวงเดียวสมาธิก็แน่วแน่แนฟังเลสมาธินี้เป็นบาตรฐานที่จะสังหารกิเลสด้วยปัญญาได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะจิตเป็นสมาธิจิตย่อมไม่หิ้วโหวยในอารมณ์ต่างๆประกอบหน้าที่การงานด้วยปัญญาได้ด้วยความสะดวกไม่มีอะไรเข้ามาคัดค้านต้านทานด้วยความหิ้วโหวยดังที่จิตไม่เป็นสมาธิ เมื่ออบรมสติอบรมปัญญาให้มีความคล่องตัวอยู่ด้วยความไม่ประมาทในเอียบทต่างๆที่เรียกว่าเป็นความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วจิตย่มได้รับความผ่องใสความสงบเย็นใจเป็นอย่างน้อยมากกว่า น, นั้นสติปัญญาก็มีความแกล้วกลา้าสามารถรักษาจิตได้โดยถูกต้องแม่นยำ และสังหารกิเลสที่จะเกิดขึ้นภายในจิตใจจะเป็นประเภทใดก็าตามสติปัญญาเป็นสําคัญมากทีเดียวนั่นนี่เหล่านี้ที่กล่าวมาแลานี้ด้วนแล้วแต่มรรคคือเครื่องดําเนินหรือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าพูดถึงเครื่องมือก็เครื่องสังหารกิเลสไม่มีอะไรที่จะเหนือสติปัญญาไปได้เมื่อมีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนกันอยู่แล้วนั่น นี่ท่านเรียกว่ามากักเมื่อมักมีกําลังแล้วย่อมจะแสดงตัวให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้นไปโดยลำดับดังท่านกล่าวไว้ในภ า, าวนาสามประการในกล่าวไว้ในปัญญาสามประเภทว่าสุตตะมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังหนึ่งอินตามยปัญญา ปัญญาเกิดขึ้นจากการจิดอ่านใ่ตรองหนะึ่งภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆหนึ่งนี่ละบทที่สามนี่เป็นบทสําคัญปัญญาที่แสดงตัวด้วยการภาวนานี้เป็นปัญญาที่เกิดกับตัวเอง เป็นปัญญาที่ไม่ต้องศึกษาป ร, รบรัจากผู้หนึ่งผู้ใดเป็นปัญญาที่ผิดขึ้นมาจากความชำนิชำนาญของปัญญาที่ฝึกตนมาโดยสม่ำเสมอโดยมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนี้เท่านั้นปัญญาประเภทนี้เมื่อมีกำลังกล้าแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของเราว่าปัญญานี้ไม่ขึ้นกับอะไร ขึ้นกับตัวเองเท่านั้นสิ่งใดก็ตามที่สติปัญญาจะสามารถทำลายได้สติปัญญานี้จะทำลายโดยลำดับลำดาคือกิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจแต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นเมื่อสติปัญญานี้เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นเริ่มรู้เริ่มทำลายกันไปโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นสติปัญญาคล่องตัวเป็นสติปัญญาอัตโนมัติไม่มีการบังคับบัญชาถูถายเหมือนอย่างที่แล้วแล้วมาเพราะเป็นปัญญาคล่องตัวเพราะเป็นปัญญาอัตโนมัตินี่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสังหารกิเลสจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสมุทเฉติบังขันไม่มีอะไรเหลือเลยนะพระอรหันต ได้สาเร็จตนเป็น พ, พระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันล้วนแต่เป็นผู้สาเร็จด้วยภาวนามญปัญญานี้ทั้งนั้น น, นี่แหละภาวนาภาวนามญปัญญานี้จึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากกับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นผู้ที่เป็นขึ้นในตัวของเราและเป็นที่แน่ใจว่าภพชาติจะมีกี่ล้านล้านภพก็าตามเถอะจะต้อง รวมกันมาสังหารในจุดเดียวกันคือจุดปัจจุบันได้แต่ใจดวงนี้ที่มีเชื้ออวิชาพาให้เกิดอยู่ตลอดเวลามีอยู่จุดเดียวนี้สติปัญญาประเภทนี้จะยังเข้าไปสู่จุดนี้เมื่ อ, อยังเข้าไปสู่จุดที่เป็นรวงลังของอวิชาอันเป็นตัวพบตัวชาติแล้วทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็น เาะสติปัญญาประเภทนี้เป็นสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากไม่มีอะไรเกิดดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญาจะได้แก่สติปัญญาประเภทใดก็ได้จะสติปัญญาประเภทภาวนามยปัญญานี่แหละตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกที่ภาวนาประเภทนี้ได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วคล่องแคล่วแวกล้าไปโดยลำดับจงกลายเป็นมหาสติมหาปัญญารอบตัว อยู่ที่ไหนก็หมุนตัวเป็นธรรมจักอยู่ตลอดเวลาคนา้นคว้าคุยเขีย่ยขุดค้นหาก ร, ริเลสอันเป็นตัวภัยซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจอาการได้แสดงออกมาถูกฟาดฟันหันแหลกด้วยสติปัญญาประเภทนี้ไม่มีเหลือไม่มีเหลือสุดท้ายก็พังทลายกริเลตประเภทต่างๆอวิชชาตันหาอุปท า, านซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้เราเกิดเป็นพบเป็นชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพบ ประมวลเข้ามารู้มาเห็นกันที่จุดนี้จนหมดสิ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่ประกาศตนขึ้นโดยทางใจว่าเรื่องพบเรื่องชาตินั้นได้สิ้นสุดไปหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือที่เกิดผ่านมาโดยลำดับก็เพราะธรรมชาตินี้พาให้เกิดี่แล้วที่จะเกิดไปในอนาคตกี่พบกี่ชาติหาประมาณไม่ได้นั้นก็คือธรรมชาตินี้เลยจะพาให้เกิดแต่บัดนี้ธรรมชาตินี้ได้ถูกสังหาร สูญสิ้นไปพานจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสิ่งที่เหลือได้แก่ความบริสุทธิ์พิมุตต์หลุดพ้นล้วนๆอันเป็นธรรมปัจจา์เกินคาดไม่เคยรู้เคยเห็นมากี่กับกี่กันวันนี้ได้เห็นแล้วจิต ด, ดวงนี้อจิต <c oughs> ด, ดวงที่บริสุทธิ์นี้ได้รู้ได้เห็นแล้วประจักษ์แล้วสิ้นแล้วจากสมมุติโดยประการทั้งปวงลรือเหนือสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วยุติแล้วเรื่องการเกิดการตายตั้งแต่บัดนี้ต่อไปไม่มีรู้ประจักษ ชัดเจนอยู่ภายในจิตใจของตัวเองนี่คือการประมวลของภพชาติทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วและที่ยังอยู่ข้างหน้าซึ่งจะเป็นจิตดวงนี้ไปเกิดได้ประมวลลงมาจุดเดียวนี้เป็นจุดที่บริสุทธิ์บมุดผนิพานไม่ถามและผนิพานถ้าลงได้ถึงจิตขั้นบริสุทธิ์นี้แล้วถามหาอะไร เรื่องพบเรื่องชาติที่เคยเกิดจะกเกิดตายมากี่พบกี่ชาติประมวลลงมาสังหารในจุดเดียวกันนี้หมดคืออวิชชาเป็นต้นเหตุเหมือน ก, นกันกับต้นไม้ตัดกิ่งตัดกา้านตัดดอกตัดใบก็ยังไม่ตายตัดเข้ามารากฝอยเข้ามามากน้อยเพียงไรก็ยังไม่ตายและตัดย่นเข้ามายนเข้ามาจนกระทั่งถึงรากแก้วแล้วถอนพวดขึ้นมาแล้วชัดไหมที่นี่ว่าต้นไม้ต้นนั้นตัดกิงไหนมันก็ยังไม่ตายกิ่งไหนก็ยังไม่ตายเมื่อถอน รากแก้วพวดขึ้นมาจนไม่มีอะไรเหลือแล้วแน่ใจไหมที่นี่ว่าต้นไม้ต้นนี้สิ้นสุดยุติแล้วในการเกิดในการทรงตัวแต่นี้ต่อไปดอกใบญิง่งก้านสาขาที่เคยเขียวสดงดงามเป็นอันว่าอับเฉาและจะตายไปโดยลำดับลำดาเพราะส่วนหลักใหญ่ของมันได้แก่รากแก้วอันเป็นเครื่องสืบต่อความเป็นอยู่ของมันได้สิ้นซากลงไปแล้วในวันนี้ในขณะนี้นี่เทียบแล้ว รากแก้วนั้นหมายถึงรากแก้วของต้นไม้นั้นหมายถึงอะไรก็หมายถึงอวิชชาตัวมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจและตัดรากนั้นเข้ามาตัดรากนี้เข้ามาสิ่งนั้นสิ่งนี้คือเรื่องกิเลสตัณหานัหนะ่ะทําลายเข้าไปโดย ล, ลําดับลาดาแต่ยังไม่ถึงจุดจนกระทั่งถึงเข้าถึงรากแก้วได้ แ, แก่วอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาถอนพวดขึ้นมาด้วยมหาสีมหาปัญญาแล้วชัดเจนเช่นเดียวกับเขาถอนรากแก้วของต้นไม้ขึ้นมา ไม่มีการที่จะทรงตัวอยู่ได้อีกต่อไปจิตนี้ก็ที่ี่เหลือกิ้นไปแล้วนี้ไม่มีที่จะไปเกิดตพบเป็นชาติในสถานที่ใดๆทั้งสิ้นอีกได้เลยเพราะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นๆ้นแล้วนี่แหละธรรมชาติที่พระเสริฐภายในจิตที่เคยล้มเหลวเร็วสามาแต่ก่อนคือจิตดวงนี้ที่มีสิ่งโสกปลกโสมมเข้าไปฝังจมอยู่ภายในนั้นได้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธอัศจรรย์ขึ้นมาแล้ว ในผู้ปฏิบัติ <m> ตั้งแต่บัดนั้นต่อไปหมดเรื่องอารมณ์อดีตอนาคตเรื่องความกังวลที่จะไปเกิดที่ไหนต่อที่ไหนไม่มีสมมุติเข้าไปเกี่ยวข้องอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีสถานที่ที่จะเกิดจะตายเวลาเวลาไม่นีหมดไปเลยเพราะจิตตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเกิดความตายกับสถานที่เว ล, เวลาอันเป็นเรื่องของสมมุตินั้นเลยเนื่องจากธรรมชาตินี้พ้นสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้ว ใครจะไม่ประจักษ์เมื่อได้ถึงขั้นประจักษ์แล้วใครก็ใครเถอะประจักษ์เหมือนกันหมดไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าให้เสียเว ล, วลาเวลาให้ลําบากปเปล่าๆเขาจะว่าอารหันบ้าหรือผู้ผู้บริผู้บริสุทธิ์บ้าถ้าบริสุทธิ์โดยชอบทมแล้วจะเป็นอย่างนี้ทันั้นก ร, ราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทพระพุทธเจ้ามีกี่หมืน่นกี่แสน ก, กี่ล้านล้านพระองค์ไม่ปฏิเสธก ร, ราบราบทีเดียวว่าเป็นความจริงเพราะผู้สร้างบารมี มาโดยลําดับนานามีมาจี่กับจี่กันเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะบารมีเต็มเปี่ยมแล้วทําไมจะมีไม่ได้เป็นไม่ได้ก็เมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายปลายแดนได้เกิดความรู้สึกวิมุตตพุโทโธนี้เรายังรู้ได้เห็นได้ได้มาจากไหนรู้ได้จากไหนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นทรงเป็นผู้แนะนําสั่งสอนแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงเห็นได้อย่างไงปฏิบัติตัวได้อย่างไงนี่แลเป็นพยานเครื่องยืนยัน ว่าพระศาสนานี้มีเจ้าของอริยสัจนี้เป็นรากเง้าข้อมูลหรือเป็นรากแก้วของพระศาสนาโดยแท้จริงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรสาธันทั้งหลายก็ดีตัดสรุปรำบรรลุธรรมขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งอริยสัจสี 4, นี้โดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเจ้าของก็ประจักษ์ในเจ้าของเองยืนยันในเจ้าของเองหาที่คัดค้านต้านทานเจ้าของไม่ได้แล้วทําไมจะไม่มอบราบต่อพระพุทธเจ้าผู้ประธานพระอวัตสายทางเดิน ให้พวกเราทั้งหลายนี้ได้ปฏิบัติและรู้เห็นล่ะนี่เป็นเครื่องยืนยันพระบุรเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างไรองค์นี้เป็นชั้นใดองค์เหล่านั้นก็เป็นชั้นนั้นพระสาวกของบุรเจ้าทั้งหลายพระองค์ใดก็ตามท่านธรรมชาตินี้เป็นชั้นใดท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นชั้นนั้นมาแล้วนั่นมาแล้วมาแล้วนั่นยอมรับกันด้วยความจริงอย่างนี้เป็นที่แน่นอนเป็นที่แน่ใจนี่ล่ะ พวกเราทั้งหลายได้มาบวชในพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนและอยู่ในทํามกลางแห่งตลาดสดของมรรคผลนิพพานจริงๆแล้วทําไมจึงนอนเฝ้านั่งเฝ้านอนเฝ้าจม อ, อยู่กับมูดกับพูดคือเกลียสจันหาภายในจิตใจโดยไม่สนใจกับมรรคผลนิพพานด้วยข้อปฏิบัติอันแท้จริงเราจะไปหวังเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารในโลกนี้โลกนี้มีอะไรเป็นสาระแก่นสารพอที่จะคืบครานไปหามันแล้วเกิดความสมหวังขึ้นมาเรา นอกจากผิดหลังผิดหังเพราะเราคว้าจับไม้ผุไม้ตายต้องผาหักาผาพังลงไปทั้งนั้นนี่อะไรผุอะไรพังละ่ะก็อนิจจังทุกขังนาตาในสิ่งทั้งหลายมันปราศจากกันเมื่อไหร่ไม่ว่าชิ้นหน่อยชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กไม่ว่าชิ้นไหนนส่วนไหนๆในโลกอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังนาตามีแต่จะพังทั้งนั้นเราเองก็จะพังไปทั้งตัวนี่แล้วยึดตรงไหนเป็นสาระที่ตรงไหน สิ่งเหล่านี้มีแต่อณิจังทุกขังตาครอบมันเป็นตาช้าของมันอยู่แล้วเรายังจะไปจองเอาความเจี่ยงตรงหรือถาวรจากมันด้วยความมุ่งมั่นหรือด้วยความสำคัญผิดก็เป็นความเป็นญาพิษที่จะเผาเราตลอดไปให้ผิดหลังผิดบังไปโดยไม่มีการไม่มีประมะนั่นแหละนี่นอกจากจะปฏิบัติตนให้ได้ถึงความพ้นทุกข์ประจักภายใ น, ในใจิตใจแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงท่านว่าอนานะอนาลโยนอนนาโยหมด หาลายตายอยากแล้วเพราะได้เคยคุกคเข้ากันมาเนี่ยแสนกับนักไม่ท่วนกับสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นมีอะไรประเสริฐ น, นอกจากพาให้เกิดให้ตายพาทุกข์ให้ลำบากเท่านั้นพอจิตได้ก้าวขึ้นสู่ความหลุดพ้นนี้แล้วไหนความความความความทุกข์อยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่ไหนความล่มจมอยู่ที่ไหนความทรมานอยู่ที่ไหนมันเปลื่องลงไปได้นะขณะนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเหลือแต่ธรรมาชาติที่อัศจรรย์เกินคาดเป็นอากาลิโก คือไม่มีการสถานที่เวลาเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเท่านั้นนั่นนี่แหละการปฏิบัติธรรมนี่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอจะไม่จะว่ะาบุญประเภทใดก็ตามก็ เ, เกิดขึ้นจากการบําเพ็ญตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเคยพาดำเนินมาแล้วทั้งเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาจนกระทั่งถึงิมุตดดุดพ้นไม่นอกเหนือจากไปจากศาสนาธรรมที่พระองค์ ประกาศสอนไม่นี้เพราะประกาศสอนไม่ด้วยความรู้ความเห็นอย่างแท้จริงแล้วไม่ใช่สอนแบบด้นด้นเดาๆเกาหมัดเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาหลอกสัตว์โลกให้จมไปด้วยเช่นเดียวเขาคิดหลอกยิเรศมันหลอกมาแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มาสอนโลกสอนด้วยความรู้ความเห็นมาแล้วทั้งนั้นวันนรกมีเกามีจริงจริงองค์ไหนปฏิเสธกันได้ที่ไหนเคยเห็นมีไหมในสําหรับตำลากระ่าพระพุทธเจ้าองค์นี้สอนว่า บาปมีจริงบุญมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพรมโลกมีจริงนิพพานมีจริงแต่พระพุทธเจ้าองค์หลังนี่มาตัดสุลุค้านกันว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพ ร, รมโลกไม่มีนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าองค์นั้นโกหกองค์นี้จึงแท้จริงแท้จริงๆมีไหมไม่เคยมีร้อยตั้งร้อยหมื่นแสนั้าน้านพระพุทธเจ้าก็เคยตรัดสรลุมาแล้วในตำราตำราท่านมีบอกไว้อย่างชัดเจนตำรานี้ก็ไม่ใช่ตำราที่หลอกลวงโลกเป็นตำราที่ พอดออกมาจากความเป็นจริงแล้วมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้ประกาศธรรมสอนโลกด้วยความหลอกลวงและคัดค้านกันมีไหมไม่มีเลยเพราะเหตุไรเพราะท่านสอนด้วยความเป็นจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วยังนํามาสอนทุกๆพระองค์ไปบาปบุญนรกสวรรค์พมณีโลกนิพพานเป็นสิ่งที่บุรุษชาติทั้งหลายได้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระไทยมาแล้วจึงแนะนําสิ่งนี้มาสอนโลกมันจะผิดไปไหนนอกจากกิเลสมันหลอกลวงโลกซึ่งเคยหลอกลวงมา ตั้งกับตั้งการกี่พวกกี่ชาติมีแต่หลอกแต่ลวงหาของจริงมาได้ก็คือกิเลสมันเองแล้วมันเมื่อมันไม่มีของจริงในตัวของมันแล้วมันจะเอาของจริงมาสอนโลกให้เป็นถูกต้องตามความจริงได้อย่างไงก็มีแต่เครื่องความหลอกลวงว่าบาปไม่มีบ้างนรกไม่มีบ้างบุญไม่มีบ้างสวรรค์ไม่มีบ้างธรรมโลกไม่มีบ้างนิพพานไม่มีบ้างตายแล้วสูญบ้างหนัดทั้งสิมีแต่คนอุบายที่จะทําโลกให้จมให้นอนใจท่างนั้นไม่มีคนอุบายใดของกิเลสที่จะสอนโลกให้มีแก่ใจเพื่อบําเพ็ญตนให้หลุดพ้นจากทุกข์ ไปถึงสถานที่เกษมสาําลานบานใจดังพระพุทธเจา้าทั้งหลายสอนด้วยอัดด้วยทำนั้นเลยเนี่ยเล่าคิจดนาสีนั้ น, เ, นเราก็เคยเชื่อกิเลสมากี่ขับขี่กันแล้วแล้วยังไม่เบื่อไม่พออยู่ดีตั้งแต่อาหารก็รับทานตอนเชา้าตอนเย็นมารับทานอาหารประเภทเก่าเขายังเบื่อเพราะอะไรเพราะเพราะอาหารนี่ก็รับทานแล้วมือว้อเช้านี่รับทานแบบซ้ำซากๆมันก็เบื่อนี่ยแล้วกิเลนั่นแหละนะความโลภความโกรธความหลงความรักความชัง มัน ท, ำทำุ่ทุ่มซากๆามากี่กับกี่กันแล้วทำไมไม่เห็นเบื่อทำไมไม่เห็นโทษของมันนี่ก็เพราะคนมุบาของมันที่หลอกไว้อย่างแนบสนิทที่สุดเราจึงหลงเราจึงพเพลินไปไม่มีคําที่จะรู้สึกตัวพอที่จะให้เกิดความเบื่อหน่ายอิ่มพอกับสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเดนไปแล้วมันไม่มีอะไรเป็นเดนถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่เอี่ยมมาเอี่ยมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศาตว์โลกกินและติดจมกันแล้วยิ่งหมุนตัวเข้าไปไม่มีวัน ที่จะลดหย่อนผ่อนตัวเลยนะนี่ถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกมีแต่คันเร่งเร่งจนกระทั่งจมลงในคลองเดี๋ยวนี้กําลังกิเลสมันหมุนตัวเข้าสู่หัวใจของจักรด้วยทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายทุกจิงทู้อย่างมาทั้งทางนอกมาทั้งทางในเอาเข้ามาหลอกกันต่างคนต่างหลอกหลอกกันไปสุดท้ายก็จมไปด้วยกันไม่มีใครที่จะยิ่งย่อนกว่ากันแหละผู้ที่ปฏิบัติตามกิเลสหลอกลวงนี้มันต้องเป็นดังนั้นเราเป็นนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะทาไมไม่เอาธรรมะเข้าไปจับมันบ้างละ่ะ เมื่อจำแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงมีอยู่ต้องเห็นของจริงแล้วของปลอมมันก็มีอยู่ทำไมจะไม่เห็นของปลอมแล้วมันทำไมจะแยกกันไม่ออกล่ะเมื่อทราบว่าของจริงของปลอมชัดเจนแล้วต้องแยกออกเอืะนี่เราจะแยกด้วยอนะไรทำแยกไม่ได้ยังไงผู้ที่ข้าพพาแยกมาแล้วสาวกทั้ไหลายท่านพาแยกมาแล้วต้องแยกได้ถ้าตั้งใจพืปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงอย่าพากันมานอนจมเฉยเฉยมาปฏิบัติธรรมอย่าให้หนักอกหนักใจในการพฤติปฏิบัติธรรมให้เอาจริงเอาจังพอฉันเสร็จแล้วต่างองค์ต่างให้หลี ไปสู่ที่ประกอบความภาคเพียรให้ทําหน้าที่ของตนด้วยการเดินจง ก, กรมนั่งสามาธิภาวนาอันเป็นหน้าที่ของพระโดยตรงโดยสมบูรณ์อย่าให้บกพร่องในความเพียรเหล่านี้จึงได้จะขัดเกินบกพร่องไปตามโลกอันนี้จังนี้เรายกให้พออาศัายไปวันหนึ่งมาหนึ่งเท่านั้นการอยู่การกรบการขันก็เห็นไม่อาหารการบริโภคมันเหลือเฟือลน้นท่วมจนจะตายไม่ทราบน้ําส้สมน้ําหวานน้าอ้อยน้ําตาลน้นําคลิกน้ําแกง ท่วมอยู่ทุกวันทุกวันจนกระทั่งทํางอกไม่ได้เกิดไม่ได้ล้มละลายไปหมดในหะัวใจหากจะพอมีบ้างนะนีมันไม่มีอะไรให้ท่วมในที่ทำํำ ม, มีแต่กิเลสมันจึงพ่อคูณเอาพ่อคุณเราโลกจะไม่มีเมืองพอนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นไงที่ความจริงแล้วก็อาหารเหล่านี้ฉันเรียกวปัจจัยเครื่องอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นพอให้เป็นไปสืบต่อให้ชีวิตแล้วจะได้ประกอบความภาคเพียรไม่ถือเป็นของวิเศษวิโสอะไรเลย ส่วนที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจจริงคือการประกอบความภาคเพี้ยนเพื่อชําระกิเลสอันเป็นตัวพิษต่อภัยฝังใจมานานนี่ให้มันทิ้งซากระจากใจจะได้กลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาโดยไม่ต้องเสกสรรใดๆแล้วให้มันเห็นมันรุในในภายในจิตใจนี่นี่เป็นสิ่งที่จําเป็นเพรนะนั้นการประกอบความเพี้ยนยาภาคกันขี้เกียจขี้คร้านนะอืการอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันให้อยู่ด้วยกันด้วยความให้อภยัยด้วยความสงสารด้วยความเมตตา ซึ่งกัและกันอย่าอยู่ด้วยการยกโทษยกก่อนจะอยู่ด้วยการสอดแทรกอย่าอยู Hindi, ่ด้วยการแสงหน้าแซงหลังอยู่ด้วยอย่าอยู่ด้วยกันด้วยความอวดดิบปวดดีว่าตนดีอย่างนั้นตัวเจ๋งนี้ตัวนี้ละตัวมันเป็นเสนียด่างไรมันทําลายหมู่เพื่อนให้ระวังให้ดีมันมีอยู่กับรายใดฮะวิจารณาสิถ้ามันมีไล่ออกจากวัดยามันมีเหลืออยู่ในวัดนะของเหล่านี้นะไม่ใช่ของดีเอามาอวดทําไมกิเลสเออามาสอดมาแทรกสมัยมาอวดดบปวดดีทำไมอย่าให้มีนั่นในวัดนี้มีไหม ธรามีต้องออกอย่าให้อยู่ให้มันหนักวัดหน่อเราไม่ต้องการอย่างยิ่งเพราะเทพสอนหมูสอนเพื่อนหมดไส้หมดภูงหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาเราจะตายอยู่ในเขาไม่มีใครทราบเราฮเราเคยพูดให้หมูเพื่อนฟังไม่ใช่เล่นๆบอกโกงๆเลยว่าเราแค่เป็นถ้าตายได้เป็นเวลาเก้าปีถ้าว่าเป็นนางมวยก็ต่อยไม่ไม่มีกรรมการแยกเลยเอาใครเก่งอยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกลงไปเลยไม่ต้องกูจราธรรมากันละเพราะคนโง่ บุษราให้มันไมให้กิดเลสมันบุษลาเอามันฉลาดกว่านั่นนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วไม่ได้พูดเพื่อความโอ้อวดโอหังอะไรเลยนะพูดด้วยความจริงใจเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้มาปฏิบัตินี่ได้ถึงใจได้มีแก่ใจเพื่อปฏิบัติมีเวลาทุกทุกจริงจริงการปฏิบัติในงานในชีวิตของเรานี้เราไม่เคยเห็นงานใดที่จะได้ประพฤติปฏิบัติ ทำประกอบมันให้ยากใหล้ลำบากถึงกับเป็นสนับเป็นสนับตายเหมือนงานฆ่ากิเลสนี่เลยแต่งานฆ่ากิเลสนี้มีเท่าไหรโฮมกันมาหมดไม่มีเหลือเลยเอาเป็นก็เป็นถึงถึงครั้งความมันจะเป็นเอาเป็นก็เป็นตายก็ตา ย, ตายว่างั้นเลยขอตั้งแต่ให้ได้ชนะกิเลสขอให้ได้หลุดพ้นจากกิเลสนี้โดยไถ่เดียวเท่านั้นเป็นที่พอใจถ้ายังไม่หลุดพ้นเอาตายก็ตายคำว่าแพ้ไม่ให้มีอะให้ตกลงไปรเวทีเลยตายก็ให้ตายอยู่นั้นเลย ที่จะยกมือมายอมแพ้นี่ไม่มี น, นั่นฟังซิถึงเวลามันเด็ดมันเด็ดจริงๆอาตาก็ตายเคยเป็นมาแล้วแล้วเคยพูดให้หมู่เพื่อนมาฟังมาแล้วมาจุกจิตรูปกี่ครั้งกี่หนเวลาเป็นอย่างอยู่อย่างนั้นใครไปเห็นใหม่หมดเวลาเดินตายออกมานี่สี่หมู่เพื่อนยังไม่มารุมกันเนี่ยแล้วสอนแล้วยังจะไม่ถึงจิดถึงใจยังไม่สนใจยันจะเอากิเลสเข้ามาอวดอยู่ในวัดในวานี่ยาให้มันหนักศาสนาเลยนะพระประเภทนี้นะให้หนี มันจะเพื่อนหมู่เพื่อนเพื่อนให้รับความทุกข์ความลาบากเพราะหมู่เพื่อนไม่ได้มีความประสงค์อย่างนั้นพระประเภทนั้นพระไม่มีใครประสงค์แหละอยู่ที่ไหนไปที่ไหนทําให้ความแตกเล่าไปที่ไหนให้ให้แหลกแตกเล่าไปยุแยก่ก่อขุนยู่ให้อยู่ยงเหยงวุ่นวายอย่าให้มีนั้นในวัดนี้นะไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องนั้นเรื่องเปรตเรื่องผีในซากของพระในร่างของพระนะอย่าให้มันมีนะมีไม่ได้มันเป็นเสนียดจันทรลมันเป็นที่เดือดร้อน จิตด้านใจเป็นที่ทรมานใจของหมู่ของเพื่อนเป็นที่อิจฉาลอาใจยอย่างยิ่งทีเดียวแล้ววัดนี้ก็จะร้อนเป็นฟืนเป็ น, ปนไฟไปหมดถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นทําไมจะไม่เกิดขึ้นก็ทําไมจ ะ, จ, ะ จ, ะจะไม่ร้อนละ่ะก็สิ่งเหล่านี้ใครว่าดีเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าทุกๆุกองว่าดีเมื่อไหร่ท่านสอนก็สอนเพื่อให้ละสิ่งเห น, นี้ทําไมเราว่าเห็นเป็นของดีว่าอวดดีปวดดีนั่นแหละมันอวดชัว่วอวดความเลว ข, ของเจ้าของใครอวดอย่างนั้นย้ายมีนะอย่าอย่ามาสั่งสมอย่ามาพักตัวอย่ามาก่อควร อย่ามาแทรกแซงเรื่องเหล่านี้เราเป็นใหญ่อยู่ในวัดนี้เราเป็นผู้ปกครองพิดถูประกันใดเราจะสอนหมู่เพื่อนหมดภูมิแล้วเราจะบอกว่าเราหมดภูมิอย่ามาอวดดิบอวดดีแทรกแซงเข้ามาในเรื่องเหลนี้ว่าตัวดีเร่องนั้นอย่างนี่ยเอาละเหนื่อยแล้วจะไม่ได้มาเลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> ที่เทศได้อันนี้บ้างก็เพราะว่าธาตุขันโรคหัวใจมันเวลานี้มันสงอบเราที่นเทศได้เต็มอัธยาศัยรึ หรือเต็มตามความถนัดใจของเราแเทศได้แลวมันระวังเรื่องร่างกายแล้วมันไปไม่รอดนะนะ อ, อีโลโคเขียบเหมือนรถไม่ดีนะเนี่ยคอยแต่จะลงครองร่างร่างกายมันก็เหมือนรถที่เราถึงได้ยกคอบเกียบเกียบเอาไว้ว่าทางดีรถดีคนขับดีเรียบเลยนะั่นฟังดิถ้า บกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ไปไม่รอดเหมือนกันหมดไม่ว่าจะคนขับไม่ดีหรือรถไม่ดีทางไม่ดีอย่างได้อย่างหนึ่งเท่านั้นก็ไปไม่รอดแล้วนี่ก็เหมือนกันทางดีก็คือทำรรดีฮะทาที่ไหนใจนั่นที่เป็นผู้ทรงธรรมใจกับทำเป็นะเดียวกันนั่นละ่ะทางดีผู้ขับคืออะไสติ ป, ปัญญาฮ อ, อยู่ในจิตที่บริสุทธิ์นั่น ขับดีนะรถดีคืออะไรร่างกายดีนั่นมันก็เรียบไปสินี้ถ้าบกพ่องอะไรอันหนึ่งเอาสิทำเนี่ยพูดเฉพาะอย่างยิ่งทานในใจบกพร่องทานในความจำมีเท่าไหร่ก็ไปไม่รอดไม่ฐานการทานในใจความจริงในใจทานในใจอยู่กับใจนี่เรียบเลยพุ่งพุ่งเลย ทำความจําจะไปคว้าคมพีนั่นจะไปควา้คาคมพีนี้กว่าจะได้มาในสามชั่วโมงแล้วเลยจะเน่าเฟะแล้วผููนั่งพูดพูดนั่งคอยฟังนั่นเป็นยังไงต่างกันยังไงความจำกับความจริงมั้นผิดกันหนึ่งนีอให้มันเป็นขึ้นในใจสิพูดได้ทํำไมพูดไม่ได้อืความจริงเหมือนกันหมดนั่นแหละถ้าใครใครเจอเข้าเหมือนกันหมดยอมรับทั้งนั้นเลยท่าลงถ้าได้เจอเข้าไปแล้วท่านาได้ไหม การพูที่พูดตะกี้นี้ขอให้เจอความจริงมีสิความจริงนี้เป็นเครื่องประกาศยืนยันในพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นอันนี้เป็นอย่างไรบ้างนั่นมันบอกกันมีในในี้เลยทาง ด, ด, ดีรถดีคนขับดี น, นี่นีทำดีสติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติอยู่ภายในตัวเป็นสติปัญญาของจิตที่บริสุทธิ์ น, นี่ ไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงนันก็ผิดสติปัญญาทั้งหลายนี่เน่จิตกับธรรมเป็นอ่เดียวกันเต่ว่าจิตดีก็ไ ด, ดไ้ความรอบครอบความรอบในของสติปัญญานั้นที่จะขับขี่แล้วจิตกับธรรมให้ก้าวเดินออกตามความจริงของตนนั่นราบเรียบไปเลยแล้วก็รับแต่่นี้